สัตย<บ> <PTSD> <griff Buddhist S 1> ์ตุสรมุระเยาวพนักตุสรมุราสัตย์ธรรมะตุสระินาบดีเกิดเทศนาในศาสนธรรมคำสอนของศาสมาสัมพุทธเจ้าผู้ท่านในศาสนาลุยจริงไม่ทำช่างหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตียนใจ และผ่องผสติปัญญาของสันสุทธาบริสัทธส้างลายดีเดียร์สิมีความเสียวคมาละใสในคำสอนของปัสมาสัมพุทธเจ้าเตรียมวริบุญอยในกิจสันดานของโซนของโซนวันนี้เป็นวันธรรมสาวนาสางพระคันรูจึงอยากฟังปัสธรรมเศนา ได้พากันมาประชุมกันในสมมาสปาราสลานี้โดยทั้การบูชาคุณสารสนะไตรปินติสองของจุลโวยอามาสบูชาและปฏิบัติศูนาให้เป็นการณพระพ่อคือในส่วนของจุลสิ่งนี้ก่อนลว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมมาว่าจร้นยิ่งใหญ่เตียงเตียงอยู่ในคิดสันดานของสอบสั่นสร้างไร้บริบูรณ์อยู่แล้ว ตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระสัชธรรมเทศนาของพระสมาะสัมพุทธเจ้าอันโอวัตรําสอนของพระพุทธเจ้าดังเิดเทียนใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ติใจทำใจ ร, รวมมนันจะเห็นเพราะว่าพุทธะแปลว่าสว่าง แต่แลราเลกแกได้เปียนแล้วอย่างนี้เห็นี่ความติดเยนอย่างนี้ก็หาเปียนมาบ่อยครๆกับควันจะเข้าใจได้ว่าดใจองส์จนเป็นสาวผู้ประทประสงค์แต่มันไม่เป็นโยกเพราะมันมีหลกโกดหลง เป็นเครื่องฟกหรือแทลเขามันอยู่เหมือนยังเจ็บกได้จักบุเกเสียว่าพักเล่าเมืม่อไมนงุ้มงอกัดก้อยกัดเฉยมันงามพ่อเ ล, ล่าออกมากินได้มันก็บอได้หรืมันมว่านีใบเพราะมันงอก้อยกินโยหรือยำโย กัในใดใจของเรามีโรคปวดหลงมันกัดมันไหมมันเผาอยู่มันก็บว่านี่ผุษะนี่เป็นใดครับองค์เจ้าเล่เจศนาเรื่องว่าโรคกระทำแปดทำว่าโรคกระมำคำนี้ให้เข้าใจว่าธทำสังหารธทำ แม่นขีแม่บำรุ่ง então, ังหานโรกกระช้ำ8ดกับเือว่าความมีซักมากหนึ่งอย่ว่ามีรากับคือซักนันแหลาศนั่นหนึ่งความมียอดหนึ่งนี่คือเสียง ความมี่สนเสริญหนึ่งถึงสามล่ะเนี่ยความมีสุขหนึ่งถึงี่นี่เป็นหลกกระทำอันนึงเป็นเรื่องอยากย้ำหรือกัดก่อนใจของเราอยู่เพราแม้มันอยู่ปลาอยู่ถุงมันเป็นเรื่องของห้อใจมันเกิดขึ้นทีใใ่ใจใไ้แก่งอ่านถึงไม่ได้ให้เป็นมักเป็นผลหรือนีงอ่านถึงเพรได้ อีกทีย่างหนึ่นะคือวความเสียมรักเสียมหอมเขาเขาหายความเสียมยดคือเสียงหายเขาเบ่เรียบตามชือตามเสียงเขาว่ากลัวมึนไปเจอล ะ, ละความนิ่งผ้าสิ่งสามละมะอันยะความทุกข์สิส่งที ทีอย่างนี้เรียกว่าทิ้งที่เราไม่ปรารถนาเอือความที่ไม่ปรารถนานั่นมันก็เลยเป็นอันเป็นตัวกัดก่อนใหญ่ของเราฮะ เ, เหมือนกับว่างัวกล้วย ก, กระัาอีกทีหนึ่งไหวปากง่ามอันนี้ก็คือว่าไอ้แกเราง่ามสุน陀ไัยไอ้เทียนพระพุทธสัมมาสูงสุน陀ทพราะมันมีเชื่อมกัดเชื่อย่อมไป เที่ยวเท่ยงยามเนเขามันอยู่คือไฟเขาให้รถนว่าให้หยาหยังเกิดขึ้นได้งั้นเรงรนี่ล่ะเน่ละเ่ลาบมังกับเนวสองในยาลาบคือศัพสมบัตินั่นกับลาบหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นผู้หล่อมเพว่ หายเตี้ยๆอุ่นโล่อุ่นใจว่ะโล่กับร้อยยังเข้าวะก็เรียกว่าอุ้นใจนมันเม่นอุ่นละมันกัดเ้าล่ะหาใจนั่นมันเมือมันม่วมันคุณมันเตี่ยงไปหมดละโยนมาเมื่อใจับที่ว่าตมี้มันเก็บมือในั ใจหลดเบ่งบูปว่าอยากเสียงสั่มที่มันรูดจั๊บกับส่วนนี้นั่นนี่อยู่อยู่นั่นมันหลุดความว่านี่นั่นนี่น่ะมันพัดรูว่ามันจะนี่นั่นนี่อยู่มันพัดรูมันกัดรูอันที่มันเบ่งอยู่หันโบไฮมันง่ามขึ้นดันที่นี่นั่นเรียกว่าจับภายนอก ขาซัภายในเปนว่าจักขูสมบัติสมบัติกับคือซันาโสตสมบัติจักขกคือตาโสตากัคือหูสมบัติคานา ส, มสมบัติกัคือจมูกหนสมบัติหนสมบัติ กาสมบัตรกาสมบัตินี่สมบัตใิใครไม่แต่ว่าสมบัตรเราไหญ่มากเกิดห น, หน้าเราใหญ่อันนี้เป็นทุ่นสมบัติอันนี่ใหญ่มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ปั่นงหงแล้วเราไปหาเอาทรัพย์สมบัติเงื่อนพ่องเข่าขอางตังออกได้เพราะมันหนี้ทุน้นเป็นเครื่อ ง, งให้หาเอาได้แต่เ ม, ม, มื่อี้ อันนี้เป็นทุนห า, right าเอาว่ได้เลยเอามงินเอาซ่อมเขาของข้างหนอว่าได้เ่อเที่ยงมันเสียเป็นซาเสียกะหาเอาบลอกสมุดละใส่ไปเล anyway. ็กๆหน่อยนพอาพว่าได้เพราพ่อยุพราะจริงสาหรับละหายิ่งกายเสียเป็นเปียเป็นไงสั่นแห้งให้ถ้าแม่ใจเสียเส้นบาดเส้นใบสนแห้ให้ไม่มีกีไรเงี้ยงำหรับละ เนี่ยนี่แหละคุณนบัวนี่ฮนเนี่ยเอาสับตัางคืนกับบได้สับตั้งหนอพอมันบัวี่พูดหาเห็นนั้นจชื่ว่าเราจะมีตาดีหูดีแจมูกเรียงใจดีเป็นสมบัติอันดีใจดีพ่อบุญว่มันเผยไดแจงเราได้สัวกับบันี่เผยได้แจงอะไรเพราะบาปเพราะกรรมเพราะองจ้สอนมาให้ทำกรรม มาน่ายผลไปชัวช่างกันละ่ะให้ทําเจ็บุญม่น่าผลดีหอใจดีหลุบหลังกายดีตาหูดีสมบัติดีเราเี่ยสมบัติดีแต่เป็นชุนละหาสมบัติภายนอกที่ตามดินนม่พท่องเก่าของเรียนใดหละเนี่ยพอมันนี่สุนหา มี่ละจังว่าพูดถึงแค่ว่านี่ลาบลาบเพินมันบอกสำคัญลาบะชื่อตัวเราดีหรอกตัวเราดีนันประเพราะวัดมี้สำคีสมบัติพอบมันบุรุษิะหาได้อยู่ หรือตาหาับมันนี่เราซับภายในนี่หาวมะไรแล้วกันมันก็อยู่เลยซับภายในนล่ะคือตาหัวเล่านี่ล่ะเป็นเครื่องดูแลเลยเก็บเนี่ยบให้มันหายบาปเจกบข้อหมอนหายเสียก็พวกนี้รักษาอไรอย่างเงีนยซับภายในรักษาเรนนี่ หาผูใ้ใดรักษาที่มารักษาอยู่ยางว่ามันเป็นโลกเอาอยามาใส่สิเป่นกับใส่เวลาหากว่ า, าบุนนี่เราใส่กับว่าหายธาบุนนี่เรากับมันก็เป็นซ้าหรือเป็นแต่นี่ยามาสูบหรอกหายได้เนี่ยเป็นกัย้อนให้บุญงี้สิละบัมันหายไปดีวันสิบ มันว่ามีก็ดีว่เกิดก็ดีเป็นควาบุญมากผุมข้องว่ามันเกิดไวมันมีถึงมันมีสิ่ยเยหายกับาบุญอย่างีอย่ามาเสหายได้เนี่ยแตหากว่าบุญยังสียละทีนี่ส่วนเสียแลวจะครับทับในทรัพภายในเราเสียกันอื่างจะเพ็รพิชสีน ักหลักของบุคคลผู้อื่นก็คิดคิดใก้กามกราวหมูาา่ละว่าัวยหินเราไปยิงทีละนอนกบหินแปดก็ไปยีงละคิ ด, กกคดยังคิดใตเห็นว่าร่างกายเป็นตัววามันอะไรไม่สนุกเอาประก่อนล่ำกลับรลองทาเพ่งดีสีสีเป้าไปละชิ้นข้อไปละ วัวนคนามทีทํานาใครไนหลบไปเอาของทั้ ง, งอกมาสว่ไม่ตุลิของมวน ม, น, ม น, นมันเราวัวม่นมันเสพของบุกมันเอาของบุกนั่นมาสพให้มันหงวงพูดกับว่น้ที่อีังกับวัขากวัเ น, นี่ยลนี่หุ้นั่นเมื่อพูดถึงได้่ินว่ามันมวนมวันงสาากลูกของเล่าอ่ะ มันร่าแก่ขึ้นมันห่ามันเพิ่มเกิดผ่ายว่ามันเบาสงบผ่าใหา้เอย่งางง่ายง่ายสวาดีเนี่ยนอกรันยังวิทยุที่ยังก็เปิดสิ่จัียย่ว่าเสียงยังก็เสียงยังก็สัรสรงว่าจะมันดีสัรหาบูกว่าเลิกไครอีกไม่นองไม่พูด สกินเดียแต่มันบุกมันนั่นอโผอล่บุ ก, กนั่นโผลเลยหน้าเสียดหนาด้าเบื่อมันสันไปล้ละเนี่ยพร้อมรู้ว่าหุจักษ์สภาพมันอันเดียวกันเรื่องว่ามันคนน้นในแนว่วยิบสยุบหอยแนวดีแข็งแกร่งละเหลือหากที่ว่าเขาดูเท่าระคัดเท่าเสีย สพรว่าดีไปสละนี souls, ่เจ้ขาดเจซีนี่เจะสิ่งเจ้เจ็ดตังยุคหมืนลุมขึ้นตือดีเพราะว่าปัญหัสเหตุาว่าเหนื่อยเพราะเนี่ยเนี่ยมันหรอกว่าจว่ามันดีแทหรือว่าแ่เรียกว่ามันจยดเป็นของสี่หยยบยำใจของเราอยู่หันของสาสนาเพราะไอ้ใจของเราเนี่ยผัสุข อยากเรียนตรงไดจะเรียนหามั่เถิดุส์สมัก เ, เป็น ม, มาได้นี่เาหนุ่มว่าไอ้สายอยู่สงสัยจะชีเส่นไหนอุตส่ามาท่นี่ถึงมาสมาักสังขารอะไรที่ชี้ก็ น, น่าไอา้จ้าหนุ่มจมาได้เนี่ยนะจำไึกว่าพาพูดถึงศีรษะขวัญรักษาศีล รักษาคาัภายในจังศิวมิอันตราดพวาว่องนี้กรรมสิ่เกิดมาให้ทลาลายมันฐาวนว่องี้ศีลที่เกิดกรรมมาใหา้มาทําลายมันเนี่ยตลอดถึงสาหูจมูกไปอย่างนั้นครับภ า, ายในกันไปรักของเขาก็เออของเรา ก, ก็จะเสียละ ยามสัตยังสิยํามร่หูตามันยังสีมันสมัยตาเราเสียหูเราเสียไปสามมันนาลระนี่มันกามันมาหาเสียมันว่แม่ ม, มันเสียอีกตลอดร่างตายของเราหาปลาเ่าปราพืชคิอสักร้มหือลูกซึ่งเนี่ยมันหลเรื่องว่าเพราันนลระกายชั่วกับจิตซึลุเป็นไพนเราเชื้ยกระจกกระจอยสิตตัวติดนาะ แมันิดสิงเนี่ยนั่นขาหากลักจัวย่าไปทํามนันมันจิตเอือนมันมีสรํางถ้มาคิวถําหาเรียงสั่วเลยหาฟักเจริญยางเขาสื่อขายหาว่าสั้าใจหวังฟักจุกจะสื่อจะขายว่าหากลักเอาว่าหากข า, ากลงของเขาเออมันก็จีบสิ ง, สงยืนลนะนี่ อย่างเล่าทาหัวทำเฉือนปลูกเอโาโพดรับแรงเอาสื่อขายเลิม้มาาามั่นคำว่างหรืออ่อ ย, อ ย, ยมันเสียมั่งกับว่าขายยังว่าลักฟ้องไฟเอาฟ้องปลูกมมเกบ็บผิดหน้าอันเสียมั่งกับวัคคีตละสินนั่งกับวุ้นีกําลาเนี่ยวุ้นนี้เนี่ยมาท่านซับไปในรเอยเสียละถ้าหากเล่าเป็นผู้ใดกับว่าพ่อเอาไปแต่เพืช กระหอบกัมเช้อัวน้ำหอบมีเชื้ตัวน้าไปหัเราหัวจักว่าอันนี้มันสิหลายละอยากเราหอบขี้คุ้นที่ฝอยโผลเข้าหลือีอบหน้ามัง่จักว่าสี้อับมากกว่าเลือกผกว่ากันหจักอันนี้มันสิหลายเลยเนี่ยผลสุดเราสิหาฟั่มาสต์เี่ยเมืองับเขากับอไไ้หรก็เอาเน้เช็้อี่คุ้นขี้ฝอยโผตัวเนี่เนี่ยก็หาจะกัมใช้สัว มันกระหลายก็บ so, so ุญชะสลาปันเทศหลายนั่นหละนอกจาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งสิ่สิำัวมั่ก็เลยเป็นผู้ดจวนนั่นล่ะมันจดจ่อมันบอกว่าขันใจตัวจดจ่อท้ั้งดีมันก็เลยดีนั่นล่ะสิงตั้งซ้ำวอยู่กับัวใดหลายดอกเพราะใจจบจดจ่อยู่ดีนี่ล่ะ ็นจังสอนให้เราภาว น, นาไปทุกบานลมหันใจเขาออกทำการทำงานเปินไกว่าพ่พอยู่กระียงไกว่าอยู่ให้มันทำนานให้มันพอเถอถึงเราจะทำตัว บ, บ้านใจเราก็บริชุจธิ์เรา ช, ชรุท์จอยู่กต่ตั้งมั่งกะไรกับหน่อยดังเคย อ, อธิบายเย่ยง ร้อสหายผู้หนึ่งไปรลองหนังสือผู้นึงไปไปชึ้แห้เป็นเที่ยวกันสหายนั่นะ <c oughs> ผู้ไปชึ้แฉบังคับนั่งผู้ไปรลองหนังสือปานนี้จิต <c oughs> เรียมลูกไปวัดกะซีสียหายเราปานนี้จิตสับวงจัดแก้งท้านถวาย้าเจ้าป่อสงฆ์เหะ็กี ร้านนี้แต่ทีแล้วกำลังสิให้รับสิงให้ทอนให้พกักเป็นเศษแต่ทีไปผลยิ่งสุเดเศษเแล้วสิีฟองมุงเฉินเจ้าแห่ถึงจอบที่ว่านอยกแต่ว่าเศ้าเอาลงนางลงประนมมือเสียงสถจุกานวาซาสูาหายเราฟังเ็จแล้วกันนึงง่อของร้านเนี่ยทั้งี้เลยไป ผสหายคู้ไปสังเกต่านปนี้สหายคู้สิไปจากเชื่อนเราสีหอดทาา่าเรีปานิสออกจากท่าไปล้วสีปานิสิบ้านไปีหอดก้นหันคงนันโน่นี่ไปีไฟสะพึดคอยอบการอาหารด้วยสหายผู้ไปุดแมว่าสเร็จะลองแล้วลองั้อ้แล้ว เกะกัม่งกับสหายข้สหายมากกับไปถามเึิงอาหารอสหายการย่อมหายหลุดอย่างไรยังแย่หาเบียกเอาหลดดีใจเบียกเอาตามสับใจวัสุเป็นผู้บดบุกเสิ้เอาอาหารไปทั้บุญหมือนงเด็กกินบริวุณโยเพราะว่าบัดผู้สหายผู้ไปตังไปควงแหวนสวัสดีใจว่าสหายผู้ไปสังเกตได้ มากพอเอาปลาไปกินแล้วก็จะได้อยู่นั่อยู่ตายยิ่งสตายแล้วหลุดสหายผู้ไปตั้งเศไปทุกมารวกนี่ผู้ไปความแหลไปสวรรค์ไปสั่นเจดุมเนี่นั่นแหละใจจ็ดจอฮะเนี่ยอธิบาย่งใจจ็ดจอผลทั้งบาปใจจ็ดจอ บุญธรออรมหลวงอเจดจอสเหตุนี้ดังสีวันนี้เ่าห้ยไปเสียเขาพูดบอกว่ออาสบ้ากระลูกดีอยู่แล้วเฮ็ดสี่อนอันละมันมือไปสีฟันหลอกมันเห็ดให้ใจแตกมากพอแห้งแล้วจะเอาไม่ม้วนกันต่อไป กเลยไปเกตกับเรืบุฟังส์ดีใจสมาร์เขาเตรียมไปเกตเขาเตรียมเขาโค่นเลือบริ้งเขาพูดเขาจ้ว่าไปเอาว่าคิดไม่คิดอ่ะฝุ่แจกว่าว่าเปลาเศร้าเอวว่าเป็นยังไรเสร็คิดไม่คิดแล้วละเศาละวาสลละนี่ละจังว่าใจมันโมเชอ เต่เน็ตนำสิงใดมั น, นตัดไปจอดนำสิ่งเสียดเดี๋ยวทับเราฟามฟองใสให้เราว่าเอาเาคุยกลักไปเลยพ่าต้องฟังอยู่เนี่ยนิสลาอันนี้เรากับขันชาวว่าเมืน่อนีสลาทาอะได น, น่ากรถวาทับไปงนงสลาทำชัวเรีวเร้วกับว่าเรีวเพร ส, สิเกต ทำดีก็มันละมกที love love love you know well ่ทำละนไว้ากอยากไหวใจนจะวายอยู่ปาไอ้ใจมันเปิดิดีตัตัวตหลงว่าดีอยู่หนักนังสลาเอาไวซื่อจึงแค่ปากแค่หน่งซื่อๆปากกว่าไปซื่อๆเสียงอ่ะบัดใจแราว่ไปตามีแล้วเพราะว่าตัวได้หวแล้วเรา่าหวอย่างงี้ล่ะใจนลำ เราจะเอาอย่างไรให้เป็นตัวบุญพระพุทธเจ้าคุณเทศนาไว้ว่าโสมนัสสาสกตั ม, สะสะาตามงานนาส ม, า ม, ามุสตมปิตตัสรังือใจเป็นบุญนาหนะคือโมสมนัสกิจโสมนัสแปลว่าความละเลิกความยินดีในสารทาํา ลาเริ่มในการทำยังว่าสาขาจังงี้เสมุยจางงาีมม้งงา น, านแต่ความรู้มันมาฟอบไปทขัม้มลวมาเลยขัอี๋คิดต่างคิดหลอกองใสลีลาเริ่มเื่อนบานสินอี๋ว่าตัวเด็บุร์ลังสันมันยังคิงเป็นบุญคัาากว่าคิดขั้มชื่อๆไก่บ่าฟองใสแล้วโอ้ยมันก็ชื่อนั่นเดียวมันว่าอะไรอยัางแบบ แต่เจ๊กินี่ายท่ำสาระเหมือนยังค้นทําให้ําหน้ามันว่าท่านเกิดผลไห้แต่จะท่าจีไรอินอย่างกับชอบมันเด็ทําหันมันว่ท่านเกิดมาเกิดผลไห้มันก็เลยเจ๊งเย่สาระบาตมันจีไรนี่แห้งก็ด้วยมันเกิดหมาเกิดผลเด็กินนี่แห้งแมอันนี้คือกันเราทําว่าวิจิตประกอบเด็กโฉมานักสาร ปิตของเล่าผมมีควัมยินดีสิมันงกระไดจะทั้คือกันเหนยว่าเห็นกี่ไดบุญึิไในเวลาน่ะเดี๋ยวบุญนั้นทําขค้นเวลาใดกระได้เวลานั่นล่ะกันทาให้มันไดยังที่โสมนั้นน้ำนีดีนํำไดโหลดสมกับพระองค์เสจศาสนาในี่ยำมาข้นว่ะเอ้ยนี้ภาโผลตามแัดแปลว่า พาท่านางเกตสนายูาเช่นสิโอนนิโกะพาท่าห่างเลียกรอบให้นอกไปอยู่อยู่วาเช่สิหรือว่าเอฮีปฏิโซพท่าห่างลอกรอกลอกล อ, ลอเลียกบ่มอยู่ ดูอยู่โอปนเปนิโฟให้น้องไปดูด้วยยังสิจะได้ว่าหากว่าตัวน้องไปดูโอปนเปนิโฟยังสิปัจจตังเยงสิสะโพวิญโยปัจจตังนั้นว่ารูปจะพอจวารุติอสุติปัจจตัง ว่าตัวบริสุทธิ์ตุธีแบบกระส่วละสีลูกตัวเองไ้่ใช่สีลูกไห้ร อ, อดอาตุทีใจตัวบริสุทธิกับตัวแต่ละสีลูกเองเป็นของลูกจะพอตัวยอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปลงหายว่ได้แล้วเรียงถ้ำเรียงห้อยใจยิย่งโยกหาตัวลูกจังสั้นล่ะน่ามไปดูในสั้นสิมันเลียงหลอกเรียงเรียกรยลองให้ดูจังสั้นละ ยังคิดเี่ยวกับยิ่งโย่ชนนารูยิ่งใหญ่รูอิสิย์ใหญ่ยิ่งโนรูอิสิย์ยัคิดเกี่สวกัมานห่อเนี่ยเป็นตรังคิดคันว่าเฮ็ุยังคิดกับวาจิสุสุลาเอฮิปัิโโต๖ปัจงเวสิสะพอวินโว่าไปมันกับว่าเปลี่ยนอาเนี่ยใจตัวว่าเ มันเปลียนขืนว่าเป็นเสือมรัสกิสขืนว่ามีง่ามเข่าประกอบอยากดูอยากเข้าใจมันว่ามีคิดจะเลยเป็นคิดโจยู้ที่เตาเขาเหลือเนี่ยมันเป็นที่แบบนี่ละส่วนที่ว่าสันติทิโกโพว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นถ้ำเขาสะทักตัดเองจักกัโตพองค่าไว้ดีเราถ้ำพระกระว๊า พระตาสมโมพระสวัสดิพระผู้ศเจ้าโมผู้ขั้มตัวคัโตพระผู้ศิเจ้ากล่าวไปแล้วดีทุกยางเหลี่ยงโรคเกียดทั้มย่างหายวานี่ขินย่างกล่าวไปแล้วเนจะกล่าวไปเลยดีว่าจะกล่าวไปหรือชั่วหรือชิดว่านี่นี่จะสูงโผล่ก็ยังไรมีโพงเลยเป็นผู้ใดทดสอบมาแล้ว ยางพวกกาลามมาชดพระองค์ไปโปรดพวกกาลามมาชนในยิ่งเลยพระพุทธเจ้าจะไปโปรดกาลามมาชนพวกเบลสีเดินไปก่อนไปเทศน า, าสักช่วงโมหยิยมใสในภัระสมณโคตรลมไดก่อน ว่าท่านของโภมอธิบายถูกต้องดีแล้วให้ถือท่าของเรานี้เชง่ีใจจากเพื่อนเมื่อโภงไปถึงเขาก็เอากล้ามผีสวงเดียรและผีไปสอนเขากร้นนั่นละมาก้าให้สงขั้นเราโค้งไรเขาแล้วไม่ไมชักว่าไม่สูก็ได้อีกน่แค่าสุดสู้คพราะลูความเห็นของโภมทั้งนั้น รักวะาลูกนกคิดเพาข่าวประบาทตู้ว่าเช่นที่พองเลยว่ากาสามเขาสิมาทุ่นพระองค์เยี่ยมพมองคเด้๋ี่เขตที่เขาจำได้มกเยี่ยมขึ้นเปไหนบอกว่าเฟินบอกว่ากรมมกิเลสซาเพื่อว่ากินเกต ท, ทั้งทั้งเป็นกรรมทั้งเป็นที่หลีอเมื่อยุยางวัวเคื่อขาซัดหนึ่งหลักสัดหนึ่งพาผิดผิดในกรรมหนึ่งสามูลสลาดหนึ่งหายางไนะมดืมช้าหนึ่งนี่รลามาช่อนช่อนขาซัดมากๆอยากไป พวกเป็นเขียนเนี่ยนี่งั้นม่งค้นอยากไปเชิญบอสเขาคนฟูเขาหาสั์ประมาทพวหาหลานเนื้อเด้กข้าพระโมงอยากเอามาเขาในมงค้นบอกสวบอเนี่ยเห็นน้ำม้อนสอกทังข้างา น, นี้เชียอยากพูดอยากจะจาสอกบอา ผมมีความจำเป็นกบับวิยากรตอบช่นทำฝาหน้าที้บาทจเจ๋งๆเออนาฬาก า, ามาชนเป็นกรรมกิเลสเพราะ ข, ขาสัตว์จนทั้งเป็นกรรมให้ไปรับผลทั้งสิตเป็นกริรลบพวกปิดน้อยใจสวยหมึดมดบวายนี่ใจยพองใสไอ้นี่เตรีปัญญาเกียบแหลมเลย แค่นั้นคันหาผูเา้เล่ยบอกคาสัตเอยากคิดว่าดีบ่ละกัลมาชนุนอยากไปหามาชูบอกเห็นนาอยากถามขา่าวเรียกไปมาหรืองานการบออยากถามข่าวอยากไปหามาชูเออหลักกมามาชนุนพูดว่าคาสัตรเรียกว่าพูบว่าพี่กำเล่าก็เป็นคู่ว่าอยากไปกำว่กับ เลยแข่งซันหรอมยับไปหามาชูอยากัิอย่างนี้ทูกทั้งจ่าที่ที่นี่ค้องขยากแบงอยักปันไห้แข่งซันทิ้งมันถูกคันต้องเป็นอย่างนี้คนลักของเขาเดอกเป็นกรม่ยท่าไรไม่เกียวยับูกจยับจ่ารอไหมงานมีการงานอยากไปช่วยหรือของเรานี่อยากให้มาช่วยไหมงานมงค้นงานจำบุญเราอยากเรียบมาไหมคนยังไงแ่เราไม่อยากเรียดอี่แล้ะ อันน e ี de, ้ถ้าคนวาระของเขาเดียร nah e, um ์าระของผู้ใดดีแล้วอยากไปขามาซื้อมาบานมาช่องือเ้็งกันทดสอบคํา้งต่างอากปูกากจ่า้วยไหมแต่ว่าอยากปลูกอยากจ่าดยที่เขามีของฟันเจ้ให้วยิ้มใส่ใจ่ให่ใส้รวบทิ้งรวบไปอีกอ่ะนั่นล่ะกรามชน้นผ้ขาผูรักของเขาแล้วว่าเป็นกรรมชีิ ทั้งเป็นกรรมให้ตัวเดรับทุกข์จนไปเบี่ยงหนาอาเกิดไปทั้งให้ตัวเป็นงอาวรณทั้งบ้ากับให้ตัวเป็นขอนใจมืดหนาพรจตัวคิดหาทั้งตัวนี่ล่ะก้ามูสว่าจื่อแล้วมาโจยากูอยากจ่าอยากไปหาใตัว่าโ้ยอยากไปพอกอยากฟงขวบกินเข้าไปอยู่่เน่ยน ้ากคนว่าเก่ามูสว่าตูเด็กก็ยิ่งอยากไปหาบ่อยากไปหาอยากมาชู้ก็นตแต่ถือว่าเป็นของแสบของจริงไปยกใจใจเป็นเฉแล้วใจสบายใจไปซะนี่ขันจัวเขาก็ยังสั่นแหะแม้ทั้งเป็นกรรมไม่เป็นกรรมตั้งเป็นที่ดีจั่วเลเป็นเป็นก้นปากคือปากใบเป็นบาทเชือิดไป ให้เป็นข้อมือดหนาไปเบืองหนาพวกนี้พร้อมมันเป็นทั้งตรำทั้งขี้ดเดิมชุรยลกับชื้อกันเป็นกรรมขี้ดไอ้ตัวเป็นหลกที่ดุดุทุดทั้งไปเบืองหนาทั้งให้เป็นใจบ้าใบเช็ดคิดไปเบืองหนาเป็นกร่ำเป็นขี้ดเกิดมากกับถึงจัรหลับเป็นโลกที่ดุดุดทุดทั้งใบบาใบไอ้ตัว หลกปกัดกัอันี้ปัดสับสิ่งวดล้อเนี่ยจ้าว่านั่นละ่ะใครจะมาพูดยังไงก็ตามหากความนันเป็นไปเพื่อกรรมกิเลสเลยอย่าเชืยว่าเป็นความจริงอย่าถือว่าเป็นผูาา้ฉลาด อย่าเป็นพูดชอบไปศึกษาและไปหามาสู่พวกนี้เรียกว่าต้นท่าการพูดยางสินี่ละ่ะเหยียดนั่นเล่ามีหรือไม่ในห้ากรเบ้งตัวยังอย่างนี้ด้ยวฟังเลยวิเชียอันมันมีเราเราหิแ้แกเราอย่าให้มันมี นั่นเป็นกรร ม, มกิริย์าังว่าเรา่าชงให้ใจนั่นดีใอ้นี่เพราะว่าหน้ากำกัดใจเราไปจนที่สุดถ้ามันจำเป็นเอาท่ำไปสัต ว, ว์เลรับผลแบสชวนชวนเราภาวนากระดือบุญยูชวนเราทํากรรมกับแต่ว่าได้รับยูเหรอก็ได้รับหน่อยเพราะ่ได้เอาใจใส่นี่มันเป็นนี่เนี่ยละ เหตุนั้นจังไงวาพระมะาั้ง์วามิไปอาศัยว่าย่างการามชนไปเล่าจิตจินไปพูนวันไปยิ้นโองเทศคนั้นเราเป็นผู้บนเนียนใชแล้วบ่แมงคารามชนก็เรียกว่าเรา่มหะจักโอปนิโธทรมโมหะจักว่านอมความเห็น ความเนืยนความิ น, นมในรถมาใมังกะว่มีมโอโกละเล่าเพได้หลับคุณประทบวาซ ค, ค, คุณประับห่มีเฮา่้จักน้องเนนัมม้นธรรมดาผู้วังอียังเขาให้ ย, ย่ให้กินในโลกหลวงไมได้สอนจะได้หรอเอาซาเบงเอาเอาหูฟังเอาขี้ายาไหนว่า นีค่านี่ราคาเด้นนี่พเข้าใจหาเสร็จแต่มันเด่มันนี่เศรษฐีเดสายมันเขาก็มีสังเขาวัานนี้นายขายเขามาสักมาซ่อนสะพานหรือมาดึงมาจูงไปเฮ็ดยั้งไปเฮ็ดจอกโคกตลาดมันจมเป็นอย่างนี้อันนี้ทั้งคาสอนนักพรตเจ้ากับสอนโย บ, บ่มีหยุดโยบมีผู้ใด ไ, ได้ผู้ดใดผู้ทาจะตเจีย เนี่ยรั้งแล้วแล้วไปละเหตย์ังไหนื่อยจะแยงศิลาตัวเป็นผู้มีจอยู่ในพุทธศาสนาะตัวเป็นผู้หวังสิทธเดินออกนี้จากกลัมาขี้เร่มันกับ่าเมีนผู้สิออกแล้วแตง่นสีแค่ผู้สิิเขาไปกระพือเดียวดำนาเขาไปมุกมกมุนอยู่นกับมาขีเหร่ขนาดเช่นสัตมันว่ามีสิตออกหรือเันัตว นี่ละเหตุนั้นเช่ไรวะต้องบืนออกต้องฝึกคัดกันะไรยเงี้ย ว, ว่าบืนออกอย่านี้ภาวนาอยู่อยก ว, ว่าออกที่เสมอมมน อ, นอยไนเชียมันเริ่มก็บนหล่ะเชงแสนบางเชียงคดรีนี่ละเหตุนั้นเพ่นได้มากได้ผลยังบางองค์ผลไปที่จะหน้าใบ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม้ใไม่แม้เพลเพลปินดอก อยากไขกรบอได้แก้คนหนักเป็นผู้น้อมเอาเองเห็นไหมไหมมันเกิดขึ้นเหลือมันเดือดมันร้อนคนที้จะหาักไขขึ้นมากเสืมันเกิดมันติเป็นิ้วขี้บ่คนกัลลูไรวะมันจะเป็นิ้งขี้มันเกิดขึ้นแดดมันทอนมันข่าสีมันสอมันใส มันน่าเป็นยังซี่เดียวมันเปลี่ยนแปลงมันเทีย่ยนจนที่สุดมันก็เลยเหลียงแก่เลยโลนมันแก่มันเหลียงก็เลยโรนล้วมี้จะไฟแ่แบบที่ใหม่ผานพระไผ่ไหม่ะหมสะจิดอกจิตหูลงป็ดดินนี่แหละค้นกับเคลื่อนเกิดขึ้นมาที่แรกใครตวัดรักตวัดชอบว่าสวยถึงว่าลูกโอสวยกระช่างอายุสูงยังส้อม มันเกิกกไใหม่ันโยนันไปเสียกว่าแกผลยดมันกับมมือพุธุยกษ์ส้มหรอแกนั่นขันบอดบก่ตายจับจูบจักดมละผลยืดกระสาวมันว่คิดกันได้กระไรใหม่เงี้ยคนเราได้พิารได้มเขาเฉงใจเป็นลเพิกำนดทีังสันล่เหลื้างหลายดัลาหลักลาสร้าง ได้อันว่าแนนว่ามีผูใ้ใดสอนเพินพ่นเพินพ่นนักโอเพิ่นโเพิ่นนักน้อมชิ้นสิเพิ่นเห็นน้อมชิ้นเพิ่นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสมากทจะหนาเพนได้เพิน่นเองได้มักสมสดได้เนี่ยจะเรียงส้นกาะองสอนนั่นละจะได้นนไนดนใน น, นั่น่ะไปน้อมยังฆกันได้ยินอย่ยังเสือได้ห ไปทะเลไปน่องมันก็ได้กินเชื่อกันน่ละขับเคื่อนน่องจะ ก, ก้อนน่ะเนี่ยมันก็บ่ริดที่หนักเพราะมันเป็นสภาพเดียวกันมนมันวนี้อไอ้คนจกแก้เคลื่ยตายอะไรบอกแล้วเกิดนี่สิบอะไรเวลาปัจจุบนี้แก้เคลื่อยตายโลยวาแมนพ้นรัดและส่วนใหม่ยังเชื่อกันทั้งมันจังหวะนี้จะท่านมาขอบโบ ว่าแมนว่านี่แต่อนันหรอกนี่แค่อนี้ดอกว่าี่ดีแมนมัดตลอดพอาเสียงทั้งนั้นอนาตาธรรมบ๊วยใส่จนๆนี่มดทั้งโลกเป็นอยู่ยังขี่ครอบโลกทุกภาพอย่างเสียงมันครอบไม่เมือในนี้ไปผลดีเป็นสะานเดียวกันไป็มดนี่ยังไงว่าั้งลาอิุญาติอย่ารัปัญาอย่ปฏิเ พระธนีนิจดจีดุก๊กเข้ผู้เดียวเดินทั้งไปเหนือกว่าทาั้งเป็นผู้ปลอดภัยข้า ง, นงานพยามบนบ่เห็นใดไปทางอื่นพยามบนเห็นไดบาดภูทั้งไปทั้งพิกะหน้านิจังเอาใจพิกะหนา้ามันหมดมาพยามบานบ่เห็นว่ามาเหยียบเหยียดใดมามาลังควนไดต ล, ลอดเสียสามเรา บ, บ่เห็นจะไปเหยียบเยียดใด ยังโค้นเดินทางไปตาบาดตาปลาต า, า, ตาดงไปหาบ้านนไหนเมืองนี้มันนี่มันก็ได้ทรงเกเรประจบกันบาดเทือเดินนี้สุกว่ามี่ข้างเกเรมี่อย่งไว้ประเดือเอาใจเดินบืเงียบให้อย่างจนพยามานจะแทะมองหาว่าอยเลยเป็นต้นผู้เดียวเดินไปเห็นนะมี่กังคักแล้วไ ป, วประบกับพอเห็นว่มีไปถึงเห็นนะมันระเสียง ยังว่าเอสามัคคมัคคเดยมันสางอิสยาไปประกับขึ ah ati, ah ้นไปหาของเขาบอถีมากพอไปคิจก็นาเลบมากมันบเทียงชัดเทสังคาราดุคฆาตียาาปัญญายาปัสติปัญญาแต่ความรู้อัถานิรินทร์ดีทิมไวอันนี้จาสีอันทุกฆาสีก็ได้อันนี้จ่าสิมยาถาอยู่ว่าไนเอาไว้ก่น บวกเอาขึ้นมันนึกมาคิดมันดีพอเห็นแล้วรู้แล้วจะไม่เล่ยไปเอสามัก้ออิสอยกไประบบขึ้ีหาถูกซาแพะซัปมาอาซาจิชื่อกันอาซานิบินในสีลุกเช่เห็นว่าสองร่างกวางไม่มีตัวตนบ่มีผู้ใดๆจะจ้างใดๆสักฟ่าคือๆบ่เเห็นได้ผู้ใด้ไปนั่าทรายหรอกดังนั้นพอเห็นผู้ใดๆอยู่ปีนิดนิดจึงจะเสียไป เ็กขึ้นแท่นไวเท่านั้นยังต้นตายแล้วก็ดิคนเกิดใหม่แท่นอยู่เพร่านนั้นว่แมงน้นทุกเกิดแต่ก้อนจะใหญ่มากหนังยังอ ย, งอยู่ให้มันนี่อยู่ให้เห็นอยู่ว่านี่คนที่เห็นกันวัสุวันมีเจคนใหม่ทั้งนั้นคุ่นเกาเกิดมาจะเกาตายถึงแล้วมันคนไม่เกิดมาแท้ทิ้งของเกี่ยกันผ่าพร้อความสบายสิหนี้ใครสอยว่าแมงของเกาสังเกตไหล้าด เง่แจ็ของเกามาเทียหเทศไปรแล้วมูลเรมจแล้วนี่แจ็ของไม่นั่นแหะเพ็รจิ๋งไพ่แท้ห่าแท้แท้ไทยใหญ่ันาดจของเกาว่าจะมีี่ว่าจะอะไมันเทียมมนเทียมตัวหลงเลยตัววัดดีที่หน้าตัวลาเตนันดีใครจิ๋งมันว่ามีอะไรไนดีนี่แจ็คของมาเทียงทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วอยงสัจนเห็นเองจังว่าขันมันเป็นของเทียล้วก่วิถิสิซุกแล้ว ไฟก็อยู่สบายแลย้วไฟแบบมันวุ่นี่หาดที่หักนี่แทบนี่จอกที่ไอเดีย่ก็เิเศร้าน่แหละแต่นี่ไฟก็ได้เศร้าพอได้ก็พอเทดไทยแทบไรแต่มันนอยูยยอะไรใส่ยูก็เลยไงเลยหิเลยห่วงเล ย, ยเลยอะทุทีเอเพราะเทน้ำหอมสีมัสิสแทบหอมมาเสียเนี่ยมันต้องที่จะหน้ากันอย่างนี้นั่น เม่เห็นแก่ยังสิมันก็เป็นนยนนามเรอนายได้เนี่ยไผ่เสีขึ้นมาเกิดีเป็นมนุษย์ไผเสียว่าวัดวัดันใดก็กลิ่นว่าแมนฟักิ่นใดมันบ่ากิ่นเลยมันเป็นของชาเจ็บแท่นใบเสอันเห็นยืนของเกาและมุนไปนพ่อแมพีอันไหมันเนียงเดียวจักยานเดียวเนี่ยมันก็บวกขึ้นไปม่เกิดเดียันเห็นไผงเสียมาเห็นร่างกายตัวกับเป็นยังส่เป็นสะานเดียวกันยังรานนี่มันบเซียงโบเซียงไหนเนี่ย เป็นยเรศครอบสุขหลอกให้สรพัดเนี่ยทั้งโศกภกด้วยซ้ำว่นเีียนในดีจักย่างเดียวเนี่ยเมื่อเห็นแกงจังซี่เราเห็ดยังไหลรให้ไท ย, ทยาเสียกขึ้นมาหาความสุ ข, ขกปกและหาความสุขอีก้าปันกันต้นนี้กับไฟใหม่บ้านในเมื่อไผยเสียกขึ้นไปสู่มนตร์เสน่ห์ขไฟไ ใ, ใหม่ายวะเนี่ยมันกัจังซีละนมละเห น, นั้นจังเลยละ เดียคุเทกัาว่าเยเกกิภุสราธมสติสุภุสรมุลาเยว์ปนกุสมลาสัตสัมมาุสราดังนี้เยเกิเกกิเปรวกิเยเรวไดเจใดดเมื่อมันเป็นสั้งเป็นกุศลแล้วของทั้งตัวมันบ่าแมนมันเป็นกุศลหอกอ แต่อาหารมันไม่ถึงกุศลสัมผิสที่มันถึงกุศลดังเสียงก่าวเรื่องใบไม้มันร่อนมันเลืองมันแก้มร้อนมันที่เป็นอย่างมั้นแหะมันก็เป็นของค่อนวัตกรรมการเลี้ยวเพิ่นผลมะสินขมะมาที่แกหน้าถึงของมันวเชพียงจุดจุดจุดว่ามันเคียมมันใช่ใหม่หรือมัน ดอกมันเชี่อลงเป็นดินเป็นหยาด่นเลยมาเห็นสภาพร่างกายตัวกะหลุดที่จะน่าอยขึ้นมาทั้งตัวเห็นเปนๆอย่างนั้นละที่ใดโอ้ยพ้อใจไรที่ไหนก็ยังหยาดเดยอนนา ย, ย, าน ย, ายาหมดใจอลังันแน่แต่เจ้านา่าบนลีไใสอนดอกไปไหมบอสอนมุสลิฟบอกถึงว่าพระองค์ก็สอนนาหากว่าจำมอกข้ามพระองค์อะไรไปสินในหยา ออกมาที่กหน้าทุกอย่างหอดเสียงเขาขับเขาเพ่นเสียงเขาด่ากันความยากเขาเห็นของกันและกันเขาดา่าตามเรื่องเขาเห็นเพิ่นสันที่แกหน้ากะดูกไปเพเห็นขับบาดเขาว่าไปแล้วหลุดเพิน่นเลยเห็นขับเฉลี่ยมาหน่อยี้จะเป็นของโุกะโป๊นี่จะของเนี่ยหนังนี่จะของ บาเฉียงมีแค่ของเป็นโรกเป็นไผ่นี่แค่ของตายเหล่ามันเน่ามันเทยมันว่ามีแขนแข็งนี่แค่กระดูกคนเห็นยังสีคนมีเสุอเงี้ยยันหัวสียุบบันเดียวกันหยอกนี้ไปบันพอบันแม่ลบพันเมาแกเอาใจใช้หัวบันเลยเบิ่งข้าออกมาพันมาใกลไกลคนที่ออกพักอยู่คนคนหยืนชั่งอยู่หันเห็นคนเลิกไอคนเลิกหัวแกตื้อ ผลเป็นเห็นฟันผลเราเห็นกระดูกครบผลที่สุดหญิงนั่งเดินออกจากฟักสูไปบ้านพ่อแบลเห็นเป็นแค่ร่างกระดูกเดินทั้งห้ยย่าห้ยไปมาเห็นนี่เนี่ยีหลังอย่างลาได้อรหัสนี่ทังเชียอย่างไ้ว่าผู้ผนสอนงหจัสาพระองค์ปาถนาหลจักรเสาสอนอ่าพระองค์พรปาถนา นี่แล้วเราเขีย้เป็นค้อสัญญาอันน่าโพงผุนกับว่าปาร์ธนาเราไผ่ที่ปาร์นาแลาอยู่เหรอฮะสัญญาแต่ชุดแกโพงผุ่นนี่โอบายหลายนั่นแล้วสีสอนว่ารักองคุท่านว่าต้องเดือดรับบาดแกโพงว่าปาร์นาใช่หล่าว่สอนใช่หเานี่มาบันนี้เราเขเป็นค้อสัญญาแต่สอนเป้ากันที่สี่ล่ะ รลมเป้ากันนี่าลมได้เสียงเดี๋ยวมาชินี่เลยรถนี่อย่งอรุณน่ะล้มไผ่ท่เอาไปกินอินทผอมเดี๋ยวกำลังอย่งลมน่ะคันชินสันรรน้นมันนาระยังเล่าได้ซื้อเขาเลยคือเอาซื้อไม่กินให้มันนีแห้งก็บอะไรอี่เงี้ยก็ตา ม, มันว่าอะไรหรอกคันแ้เขามากินนาระมันยังเฉ็กําลังอัน น, นี้สาหแล้วมาที่แกน่าตามเบิง้งผัดเบิ้งขันตัวสามเดไปยวอรตัวมนันละ ในตัวทําเห็นเป็นความปฏิกุลเห็นเป็นของเป็นโลกเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นของบ่เที่ยงเห็นเป็นอนัตตาลงไปยังเจนเก่าไปหมหลักสิทธอธิบายไปเหล่านั้นอย่างซ้ำๆๆคนสมุนก็ไม่ผลยังกันละคนเบิ่งโสมันเคนเห็นโสมันคนว่าคือมันคนทุกข์หอกเพราะมันเอาคนอะไรย่างเก่าเลยยังเอาเย่างอาหารมันวบไย่มัน งั้นได้กล่าวเลอย่ามั่นมันก็ขึ้นกันนั่นหละมุนิดีนี่และเนั้นแปลว่าเยกเกศคู่ซาธมาเมื่อคิดมันเป็นกุศลหรือกุศลเมื่อว่ามันสิ้มู้มันเอาอืนมาเป็นกุศลไลยมั้งหอดแด็กมันเก่ไม่เห็นเวนธานได้หอดนี้มันเก่าบัดเห็ดผูถอดผูพามเหตุบลดเหตุยึดลมันนั้ม่ได้เลด หันคิดมันเป็นผู้เป็นจรินหรือันคิดว่าเป็นแั้นมันยั้งก็ระเปลีนใช่ไหม่พรไม่เกี่ยวไม่เหตุกับเพาะเปลนมันเพรเป็ียนมันเพอยากเหตุม่เราไม่ยั้งคิดเป็นจิงมาอะไรเช่นยั้งหรนี่ปัญญามู้่ามู้่าแต่มู้่วยคิดมันเป็นนู่นนั่นไหนเรามันหักถ้ามันจริงสมันตองการถือเป็นคริงมาได้เหมือนันะเริ่มเดาดา ยัเกิดกุศุสุ ora, สราธรรมะเปติกุสราโมราซาเปติลทั้งหลายซาเ่ะ mm มัลราเมื่อมันเป็นมุ่นของผู้ศรัทธาและผู้ศร็ทธาธรรมะไปเอาของทั้งขวัมมาเส็จย้ำมันอยากเขาย้ำไม่เคยได้เลยเพราะมันเิมุ่นแล้วเนี่ยนี่หลักสัมภาระนี่พดทัสงมบุญซาเปติกุสราโมราครับมันเป็นมุ่น เป็นผู้สูญกันหน่ยมมีอเหลือมันไปไหนเย่กยกุสเย่กย์กุลามาซาเกุลโมเล่ในกาโมลานี่ลเยเกยกุสจีกุสลาสามาซาเบเจกุสลโมเลนาโมเล่นากับม้นัน่ะนาลาผมมีมุ่ไปทำผู้ศูญสไรเมุ่นไปสร้างอาผู้บังะไปเห็นอาผู้สนั่นล่ะ เป็นขีดมามันเป็นขีนทั้งไหนมันก็ไปทา้งนั่นอย่างว่านักโมเลมันไม่มีมูนไปทั้งผู้สูงอุศรมูเลแต่มูนทางผู้สูุศรมันมีอะไรมูเลมันมีอะไรอันนันนั้นะโมเลนักะไมมันไม่มีทั้งผุศสมันก็ไปทังอาคุสทศนิเวศมันละเกิดขึ้นไม่คิดทั้งหมดแต่ละหันผู้สูนักผู้ มันเป็นสุน้านี่เป็นเสื้อผ้ายามกอาสั้ทั้งที่ที่หกอติสั้นิจทั้ี่ที่ี่หกเป็นเจดึงผู้คู่ิงที่เจดึงผู้สวนรับผู้สวนทังี่เนี่ยนี่ละเขยัดนั่นมันกับยูซี่ไกเรา้ังี่แล้วแล้ฮันนี้เสียบปลายไก่แล้เส้ส้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ พันวปอดวัรัดบักัดว้าสีใจตัวละอาู่สนมันมาเป็นคู่สนมันอะไรเนี่ยมันกระบเป็นไจ้เทียนนากพไปใส่คู่สนกรเดชพ่อไปอาคู่สนกระเดชจุยักาเชียวไหนไหนมาใส่ท่านดีท่านชัวอะไรท่านเนี่ยลกันได้ฝ่ายผลได้แต่เช่ไปดีเช่นไปชัว่นเดียวเนเสี่ย พอปันกันก็ชุปฏิที่ตาไปสวรรค์ลแล้วประทัดเกิดติดตายจากสวรรค์ติไปโซลโล ก, ก, กติดเกิดมากเป็นสัตว์เก็บพวกชิ้หุเป็นแหเป็นเต้าเป็นหมูเป็นหมาเป็นส้นหูงอกซาบอสปาคือชิหุจริงเลยเก็บศาดตร์้่นใหเอยหาลาร์ชิ้หุ่พอไปทั้งดีทั้งัวมาหลุดให้ผลทั้งดีให้ไปสวรรค์ลแล้ว อันนี้ปสายจากสวรรค์ผัสผีโรคเปิดชัวรกคนจงกรกเัิดชางสิมาเป็นสัดเกิดตํางพวกตามตัวในถ้ำใสไปพสิบเกล็ดเนี่ยมันเสียอะไรมันสิพนทุกได้เกิดังสิคนเกียกเส็นตัวยางเสีเร่าใหญเด็กเรียกเส็นกับสารยังกม่อธิบายแล้วเ่ียถ้าออกถิมมันยังสิมแห้งจังสิบผมมีโรคมันยังสิความสบาย ไปกินเครื่องแกอถ้ามันวานมันสัตว์มันกินว่าอะไรรสชานเล้ามันวานมันสัต์มันงาที่จังสัตว์หมูมากต้งจัดมันวาแอนทั้งสั้นรสชาตละเอียดนก็กรองเรลียมของงาออกเนี้ยวมันยังสิ่งกินว่ามีโรคจังสิ่นี้แห้งได้เนี่ยท่านใดทางส่วนทุกน้ำกระจสั้นมันกรองเลียมทังบากออกบสงงวัดท่มบต้องสงวัดลิทุนทีแเบว ว่าต้องสมหวนพดเรียกออกพอโปร่งสอนแล้วคำพูดดีสุภาษิตสุภาษิตนี่อยู่แล้วสุภาษิตพูดดีสพูดบ่มีโทษพูดจมชินจำท่านเนื่บ่มโทสุภาษิตพูดไปทั่วซึ่งบาปอกผู้สนกับชีพพูดไปชิดกับพูดผนกันมาโลกโผเปไปท่านกัจังสัรค์คิดกัจังสรรค์หรือว่าักว่าจิตเอาัยัางให้มันดีเดียวก็จังสัรค์มันกระนกันไปู่กันแล้ว มันก็เลยได้ผลไปทั่วทิศเนี่ยยังที่เราชุปฏิศิษา์ึ่งสกรซึงมากเกิดเซตเซตเกิดลพวกแล้วจังทมาเกิ ด, ดกเป็นขนไปยังที่เึ่งาลายศาตร์เหมือนเดิมยังท่มาเกิดปเป็น่ อ, อนไปทั่วทิศทั่วแดนไปนนเดียวของตัวเบเรียกเซนบอบหาเอาแส่ซ่งเีมันดีนี่มันเป็นที่ละนี่ล่ะได้แท่นสนาเข้าว้าไหว ทับมาทุกคนทุกคนเหน็นไหมพอมันหล่อข้อนสาแลใครอยากไปใส่็จะได้ไปก็จะได้ทับมานี่ไปเป็นขั้วเส้นเปรียบตัวไปแตจะได้ไปปฏิบัติยุทุกแห้งตั้งตัวไปแต่จะได้ปฏิบัติทึไปถึงแต่จะได้ปฏิบัติเลือกเส้นเนี่ยจะทํามันดีก็จะได้พ้นโชค นีละในเทวนาสนาก็เห็นว่าพอสมควรเห่นนั้นสร้างภากันมาไในยินมในความชุ <laut> ่มชื person, after, ้นจไปซึ fails, ้งกองไปพิจารณาอนรมณ์แก่ถึงจริงเป็นบุญของคนมีสุกกันเวลาพิจารณาก็จะได้เื็อว่าผู้อยู่ในความในสมาธิฉะนั้นก็จะมีแต่ความชุกความเจริญงอกงามในระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชุกสรรค์ชีวิตการดังนี้อธิบายอยู่มา ก็เห็นว่าสมควรมุติในเรื่องนี้ยาสาวาริวะาสุราปริุเรนติสารังเอวเมวิโทนงเนางอุปกปิ คิดคางปฏิสามถูกห้างคิดเมวิัฒนิตาสเุเรุสังคปาชนโันาลโสยาตาไม s โสเทราสยาตาสัพพิโยอิวัดันตุสภารวโกนสตมาเตปวัตสุนตระโยชุกิติกายุกปวะอภิวาชนัสีลิสานิจังุทาปัญญโนจตารวธรมาวัทันติอายุวโนสุขัง t e r a k a